ทรงประชุมสงบัญญัติสิขาบกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ร, รับสั่งให้ประชุมทรงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษณีทุลนันทานให้ที่พระแก่พระพัตธกาปิลาณีแล้วโกรธไม่พอใจฉุดลากออกไปจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุระเจ้าทรงตำหนิว่า